เรื่องพระมหาโมคลานะเทราพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลูวันกรุงราชคฤห์ทรงปรารบพระมหาโมคลานะเทราความพิสดารว่าพวกเดรวรถีประชุมกันคิดว่าลาบสการะเกิดขึ้นเป็นอันมากแก่พระสมณะโคดมเพราะอาศัยพระเทรารูปหนึ่งชื่อมหาโมคลานะไปเทวโลก ถามกรรมที่พวกเทวดาทำแล้วกลับมาบอกพวกมนุษย์ว่าทำกรรมชื่อนี้ชื่อนี้ย่อมได้สมบัติเห็นป่านนี้แม้ไปนรกก็ถามกรรมของหมูสัตว์นรกแล้วกลับมาบอกพวกมนุษย์ว่าสัตว์นรกทำกรรมชื่อนี้ชื่อนี้ย่อมเสวยทุกเห็นป่านนี้พวกมนุษย์ได้ฟังถ้อยคำของพระเทระนั้นแล้วย่อมนำลาบสักการะเป็นอันมากถวาย ถ้าพวกเราค่าพระเถระนั้นได้ลาบสการะนั้นก็จะบังเกิดแก่พวกเราเดีรถีจ้างพวกโจรข้าพระเถระที่กาลสิลาพระเถระทราบความที่ตนถูกพวกโจรเหล่านั้นล้อมแล้วจึงออกไปทางช่องลูกกุญแจหลีกไปเสียวันรุ่งขึ้นก็มาล้อมอีกพระเถระทราบแล้วก็ทำลายมนทนช่อฟ้า เหาไปสู่อากาศในครั้งต่อมาพระเทเ ร, ราบภาวะแห่งกรรมอันตนกระทําไว้จึงมิได้หลบเลี่ยงพวกโจรจับพระเทระได้แล้วทุกกระดูกทั้งหลายของท่านแตกยับละเอียดเป็นชิ้นน้อยเท่ า, มาเมล็ดข้าวสารหักแล้วเหวี่ยงไปที่หลังพุ่มไม้แห่งหนึ่งโดยสําคัญว่าได้ตายแล้วก็หลีกไปพระเทระ ประสานกระดูกด้วยชานแล้วด้วยคิดว่าไปเฝ้าพระาศาสดาเสียก่อนหล้วจากปรินิพานไปสู่สำนักพระาศาสดาโดยอากาศถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบทูลลาว่าจะกไปสู่ประเทศชื่อกาลาศิลาแล้วปรินิพานพระาศาสดาทรงให้มกขลานะกล่าว ร, รมแล้วจึงค่อยไปเพราะบัดนี้จะไม่เห็นกันอีก พระเทรศถวายบังคมพระศัสดาแล้วเหาะขึ้นไปในอากาศแผลงฤทธิมีประการต่างๆอย่างพระสาวรีบุตรแผลงในวันปรินิพานแล้วกล่าวธรรมถวายบังคมแล้วไปสู่ดงกาลสิลาประเทศปรินิพานแล้วข่าวลือไปทั่วแล้วว่าพวกโจรฆ่าพระเทเรศเสียแล้วได้กระชอนไปทั่วชมพูทวีปพระเจ้าอาชาศัตรูทรงเจ้าระบุรุษ ไปสืบเสาะหาพวกโจรครั้นพวกโจรได้รับค่าจ้างกำลังดื่มสุราเถียงกันว่าใครเป็นคนทุกโมคลนะก่อนใครต่างพากันอวดอ้างอยู่เอ็ดอึงจารบุรุษได้ยินจึงจับโจรเหล่านั้นไว้ทั้งหมดให้การซัดทอดถึงเดียรถีสมณับเปลือยเป็นผู้ว่าจ้างสั่งฆ่าพระราชารับสัง่งให้จับสมณับเเลือยทั้งห้าร้อย แล้วให้ฝังในหลุมลึกเพียงสะดือที่พระลานหลวงรวมกับโจรทั้งห้าร้อยให้กลบด้วยฟางแล้วก่อไฟเผาไถด้วยไถเหล็กให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่หาท่อนมีได้พระศาสดาทรงตรัสเล่าบุรพก ร, รมของพระมหาโมคลานะว่าดังได้สดับมาในอดีตการกลบุตรผู้หนึ่งชาวเมืองพารณสี ทำกิจหุงต้มปรนิบัติมาดาบิดาซึ่งตาบอดต่อมามาดาบิดาพาภริยามาให้เขาทั้งที่เขานั้นห้ามแล้วภริยานั้นเป็นหญิงซึ่งบำรุงพ่อผัวแม่ผัวได้ไม่นานก็เบื่อหน่ายติดเตียนว่ากล่าวต่างๆนาน า, นาแกล้งใส่ความว่าคนแก่ทำสกกระโกรเลอะเทอะปรนิบัติไม่ไหวหญิงนั้นบ่นอยู่อย่างนั้นสามีเชื่อคายุของภริยา เอามานดาบิดาขึ้นยานน้อยพาไปถึงกลางดงทำเป็นถูกโจรซุ่มทำร้ายมานดาบิดาสำคัญว่าโจรซุ่มอยู่จริงด้วยความรักลูกจึงบอกให้ลูกหนีไปเขาทำเสียงดุดโจรทุบตีมานดาบิดาให้ตายแล้วทิ้งเวกลางดงและกลับไปภิกษุทั้งหลายโมคลานะทำกรรมประมาณเท่านี้ไม่ในนรกหลายแสนปี ด้วยวิบากที่ยังเหลือจึงถูกทุบตีอย่างนั้นนั่นแหละละเอียดหมดถึงมรณะสิ้นหนึ่งรออันตภาพโมคลานะได้มรณะอย่างนี้ก็พอสมควรแก่กรรมของตนเองส่วนพวกยวรุรธีห้าร้อยกับโจรห้าร้อประทุษร้ายต่อพระอรหันต์ผู้ไม่ประทุษร้ายตอบก็ได้มรณะที่เหมาะสมแก่กรรมของเขาเหมือนกัน จึงทรงภาษิท์เป็นพระคาถาว่าผู้ใดประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลายผู้ไม่มีอาชญาด้วยอาชญาย่อมถึงฐานาสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งพันทีเดียวคือถึงเวทนากล้าหนึ่งถึงความเสื่อมทรัพย์หนึ่งถึงความสลายแห่งสรีระหนึ่งอาพาธคือป่วยหนักหนึ่งความฟุ้งซ่านแห่งจิตหนึ่ง ความขัดข้องแต่พระราชาหนึ่งถูกกล่าวตูอย่างร้ายแรงหนึ่งความย่อยยับแห่งเครือญาติหนึ่งและความเสียหายแห่งโภคะทั้งหลายหนึ่งอีกอย่างหนึ่งไปป่าย่อมไม่เรือนของเขาผู้นั้นมีปัญญาสามเมื่อกายแตกคือตายไปยอมเข้าถึงนรก ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากเดมบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ